ในทุติยศีลสูตรนี่ก็ฝ่ายขาวนะครับจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการอันกรรมของตนนํามาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นธรรมะสองประการเป็นชนคือศีลดีหนึ่งนะครับทิฏฐิดีหนึ่ง ดูการพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลอันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนใดผู้มีปัญญาประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้คือศีลดีหน 1, ึ่งทิฏฐิดีหนึ่ง นรชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นผลของศีลดีกับทิฏฐิดีนั่นเองนะครับบทว่าพัตเกณนะศีเลนะได้แก่ปาริสุที่ศีนสีมีกายสุจริตเป็นต้นนะครับถ้าเป็นพระภิกษุก็ต้องเป็นจตุ ป, ปาริสุที่ศีนนั่นเองนะครับจึงจะเรียกว่ามีศีนดีนะครับไม่ได้เอาเฉพาะในปาฏิโมกข์อย่างเดียวนะคือเนื่องจากในยุคสมัยนี้นี่นะครับ เขาบอกว่าศ e ีลพระพิสูจน์ก็คือปาติโมกนะครับเขาจะรู้อยู่เท่านั้นนะครับอันที่จริงแล้วพระพิสูจน์ไม่ได้มีศีลอยู่เฉพาะปาติโมกนะครับปาติโมกนั้นหมายถึงศีลที่เป็นประธานเท่านั้นเองนะครับศีลที่เป็นหัวข้อเป็นประธานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านยังต้องมีศีลคืออินทรีย์สังวรศีลปัจจะญานิสิตศีลแม้กระทั่งอาชีวปาริสุทธิศีลเนี่ยนะครับศีลอื่นๆที่ไม่มาในปาติโมกก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นจะต้องรักษากุศลศีลเหล่านี้ให้บริบูรณ์นะครับ จึงอยู่ปาริสุทธิสินสนั้นเป็นความงามในตัวเองนะครับเป็นความงามรอบด้านะนะเพราะไม่ด่างเป็นต้นและนํามาซึ่งคุณอันงามมีสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพัทรกังแปลว่าเจริญนะครับศีลที่เจริญหรือว่าศีลที่ดีในที่นี้ได้แก่จตุ ป, ปาริสุทธิศีล น, นะครับบทว่าพัตติกายะทิติยาได้แก่กรรมมสกตาญาน คือความรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะครับและสัมมาทิฏฐิอันเป็นกรรมบทคือสัมมาทิฏฐิที่ปารบว่าการให้ทานมีผลเนี่ยนะครับการต้อนรับการเชื้อเชิญมีผลการรักษาศีลเนี่ยนะมีผลเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจตุ ป, ปริสุทธิที่ศีลและก็มีกรร ม, มสัสกตานะครับถามว่ากรรมมสัสกานี่นะครับถ้าเทียบโดยยาณะนี่หรือผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับ ระดับวิปัสนาญาณที่สองหรือปัจจะปริคหายานหรือปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมปุปปนธรรมผู้ที่รอบรู้ในเรื่องนี้ดีจึงจะรู้กรรมสกตาดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ปัจจะปริคหายานนี่ก็เป็นจูลโสดาบานันเหมือนกันเถอะผู้ที่มีกรรมสกตตาดีๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะไม่ไปสู่อาบายชาติหนึ่งนะครับชาติหนึ่งเพราะฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาทกรร ม, มสกตานี้ควรเรียนให้แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยเพื่อปิดอบายได้นะครับในบทนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลอันเจริญเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยประโยคนนะครับคือหมายถางว่าเป็นประโยค่าสมบัตินะถ้ารักษาจตุปริสุทธิศีลดีนี่เป็นประโยค่าสมบัติผู้ที่ประกอบด้วยทิฏฐิอันเจริญชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยอาสยะหมายถึงอาสยะสมบัตินะครับ บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยประโยคะและอาศัยะคือสมบัติทั้งสองประการเนี่ยนะครับทั้งประโยคะสมบัติอาศัยะสมบัติเนี่ยนะเป็นผู้เข้าถึงสวรรค์ด้วยประการชนนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้อันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นนะครับแสดงว่าแจ๋วมากกันเนาะนั้น อาศัยะกับประโยคะเนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพิจารณาแรกๆเลยนะครับแรกๆนั้นว่าจะสงเคราะห์ใครหรือจะโปรดใครเนี่ยพระองค์จะตรวจเช็คอาศัยะกับประโยคน์ข้าเขาก่อนแต่ในชั้นต้นจะตรวจสอบอาศัยะก่อนนะครับว่าคนนี้เป็นอาสยะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสำ ม, มาทิฏฐินะครับเป็นมีมีทิฏฐิแบบไหนนะครับ เสร็จแล้วก็ตรวจสอบประโยคะว่าศีลเขาดีไหมนะครับถ้าหากว่าศีลไม่ดีก็สอนให้มีศีลก่อนนะครับถ้าอาสยะดีแล้วนะถ้าไม่มีศีลสอนให้มีศีลถ้ามีศีลดีแล้วก็สอนสมถาวิปัสนาไปเลยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างข้อความในขันธวรรวคนะครับในสังยุตติกายส่วนใหญ่นะครับแสดงว่าสอนกับผู้มีศีลแล้วซะส่วนใหญ่แต่ถ้าในทีขณิกายเบื้องต้นเนี่ยจะแสดงเห็นลําดับข้อปฏิบัติตั้งแต่ศีล หรือว่าแม้กระทั่งในมัชฌิมนิกายเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นแต่ศีลแต่สังยุตตนิกายที่แสดงถึงขันธ่าตายตนาหรือโพชฌงเป็นต้นเนี่ยนะครับแสดงว่าภิกษุเหล่านั้นศีลดีทั้งนั้นเลยนะครับนั้นก็เป็นรหัสรู้ได้ว่าคำสอนส่วนแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ว่าอะไรเข้าดีแล้วเขามีฐานอะไรบ้างนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของศีลกับทิฏฐิเนี่ยนะครับสาคัญมากนะครับ อันถ้าหากว่าไม่สะสมในส่วนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ไม่รู้ว่าจะเช็คเจอเราหรือเปล่านะครับมาตรวจสอบดูแล้วเอออาสยาวิบัตนินี่ไม่ใช่วิบัติชาตินี้นะชาตินู้นก็วิบัติมาแล้วอย่างเงี้ย น, นะโปรดไม่ขึ้นเหมือนกันเะหรือบางทีพระองค์ก็ตรวจแล้วก็มองไม่เห็นว่าไม่รู้จะไปสงเคราะห์ตรงไหนนะ ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับตรวจไม่เจอเหมือนกับว่าคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาเนี่ยนะในคืนเดือนมืดนะครับกระท่อมไหนไม่จุดไฟไว้กระท่อมนั้นก็มองไม่เห็นนะครับคนที่ไม่ได้มีจุดประทีปคือศีลที่ดีเอาไว้ไม่จุดประทีปคือสัมมาทิฏฐิเอาไว้ก็ยากที่จะได้ฟังธรรมหรือจะได้เจริญงอกงามในศาสนาของพระผู้มีพระภาคของพระองค์ต่อไปนะครับเห็นไหมขอโทษอาจารย์เอ ผมผมเคยได้ยินใครกันไม่รู้เขาเขาพูดได้ว่าเอะในนรกเนี่ยมันใครว่ามาตั้งกระทะเอาไว้หรือใครเขาเอาฟืนที่ไหนมาก่อหรือว่าไอ้ต้นงิ้วเนี่ยใครมาโปกไว้แล้วตั้งนมนานแล้วมันไม่ตายสักทีแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับก็หรือบางคนก็ถึงขั้นว่าเดี๋ยวตายอาก จ, จะจะเน็บขวานเอาไปด้วยหรือว่าอะไรเอาไปฟันต้นงิ้วอะไรเงี้ยนะครับเออถ้าเขาพูดอย่างเงี้เราจะตอบเขายัางไงดีเนาะถ้าเก่งเนาะ นะครับจะว่าต้นงิ้วในนรกเลยนะครับที่จริงเอ่อที่พูดนี่ไม่ได้อวดตัวนะผมไม่เคยผิดกาเมเลยนะครับแต่เราว่าขนาดนั้นผมยังไปโดนต้นงิ้วเลยนะ <c oughs> คือมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมเอ่อมามาจะแสดงธรรมที่ว่าเจดีหลวงนี่แหละ ว, วันนั้นเนี่ยน้ํามันท่วมข้ามคลองไม่ได้นะครับต้องไปข้ามที่สะพานในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมันต้องเดินขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะครับก็ ประมาณสักครึ่งกิโลเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเดินยากอ่ะ น, นะมนเดินขึ้นเดินลงมีน้ํามีอะไรทั้งนั้นนะครับนี่เดินเดินไปเนี่ยนะครับผมก็เอามือไปค้าต้นไม้ต้นหนึ่งผมก็ว่าต้นไม้นะผมก็เดินลงนะผมเอามือค้าเลยนะครับนะต้นงิ้วครับผมว่าโอ้โนี่กระดาษยังไม่ได้ไปไหนเลยยังโดนต้นงิ้วเลยนะครับไอ้ต้นงิ้วต้นนั้นใครปลูกเอาไว้ครับะแล้วเราไปโดนมันทําอะไรนะครับ อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือถ้าบาปมันให้ผลนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมนี่มันจะแปรสภาพหมดเลยยกตัวอย่างนะครับไม่ต้องในนรกหรอกครับมนุษย์เราเนี่ยทำไมอยู่ในเติรกและไฟไหม้ครับไฟครอกเนี่ยนะถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยนะครับรถเก๋งคันงามๆนะครับจะแปลสภาพเป็นผ้าเพลิงทันทีเลยนะครับหรือบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับก็จะทับเป็นต้นเนี่ยนะหรือแผ่นดินถล่มที่ตุรกีเนี่นะครับหรือว่า น้ําท่วมที่ประเทศต่างๆเนี่ยครับแม้อินเดียปีที่แล้วก็ตายไปขึ้นอืดเป็นหมื่นๆนะครับก็ น, น้ําก็ท่วมได้นะแม้แต่รถยนต์คันงามๆก็พร้อมที่จะเป็นเครื่องสังหารได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งที่เขาต้มที่เขาอะไรข้างหลายแหล่นี่นะครับถ้าคนบาปมันให้ผ ล, ลนะนะสิ่งนั้นเนี่ยแปรสภาพมาเป็นมาให้หมายคําว่าเป็นที่ให้สัตว์ได้สเสวยผลแห่งกรรมได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถนนราดยางงามๆเนี่ยเชื่อไหมครับมีคนเอาหน้าไปถูนะครับก็ไม่ต้องไปทําถึงขนาดนั้นเลยนะครับหน้าไปถูถนนเนี่ยนะครับออมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพราะหน้าตาสมัยที่ไม่เคยถูถนนก็ดูใช้ได้นะครับตอนหลังนั่งรถเครื่องยังไงไม่ทราบนะครับแต่ เ, เอาหน้าไปถูถนนนะนะครับหมดเลย เพราะนั้นถ้าบาปจะให้ผลเนี่ยนะครับทุกสิ่งก็แปรสภาพหมดเลยนะครับแม้แต่ใครเคยจุดเทียนบ้างอนะไอ้ไขเทียนมันยังมาลวกเลยนะครับถ้าถ้าประโยค์วิบัติหรือแก๊ส ด, ดีๆหุงต้มเนี่ยนะก็กลายเป็นมาเผาเจ้าของไปเผาบ้านจัวเองไปมีรถก็ตายเพราะรถมีอะไรก็วิบัตเพราะสิ่งนั้นๆ น, น, นะครับมีไฟฟ้าก็แทนที่จะไปเปิดไฟก็ออกไปให้ไฟช็อตตายนั่นนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับพร้อมที่กรรมทั้งหลายก็จะให้ผลหมดเลยนะครับ ห้องน้ําก็ไปเลื่นหัวนกพื้นที่ห้องน้ําก็มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันแปรสภาพไปให้เองนะครับถ้าบาปมันให้ผลนั้นกรรมนั่นแหละเป็นตัวจักแจงนะครับเป็นกระทะทองแดงเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้มีใครไปทํารอกก็เจตนาของคนเหล่านั้นนั่นแหละทาถ้าหากว่าเขาไม่ทํากรรมนะครับบาปมันก็มันจะไม่ให้ผลเลยนะครับมันก็สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกทําลายไปโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีกรรมที่เป็นเหตุให้ไป ไปสู่สภาพแบบนั้นแล้วถามว่าคุกตารางเนี่ยเขาทําไว้เพื่อใครนะครับการกระทาคุกตารางเนื่องจากมีคนชั่วนะครับถ้าหมดคนช่วแล้วเดี๋ยวคุกตารางเหล่านั้นก็ผุพังเปื่อยเน่าไปเองนั่นแหละครับเดี๋ยวนะแต่ถ้าหากว่ากรรมมันจะให้ผลนะคนทําอะไรไว้สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ให้ผลไม่ดีเด็ดเลยทันทีนะครับเช่นโซ่ตรวนหรือเช่น พวกเชือกทั้งหลายเลยเนี่ยก็มามัดคอมารัดคอเป็นต้นเนี่ยนะเส้นลวดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พร้อมที่จะมาเป็นอาวุธประหัดประหารทําลายคนที่ที่บาปให้ผลได้ทันทีนะครับแต่อย่าลืมว่ า, าการที่บาปจะให้ผลเนี่ยนะมันเป็นผลเนี่ยนะมั้นก็เน้นมาที่เหตุเหตุก็คือทุศีลกับเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะครับเป็นเหตุให้ได้รับทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีศีลดีมีทิฏฐิ ง, งามนะครับ ทุกโทษเหล่านั้นก็ไม่ได้รับอะไรนะครับถ้าคนมีบุญเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนก็จะไม่กันดานในสิ่งนั้นๆเลยนะครับก็จะสบายแบบนั้นเถอะถ้าถ้าบุญให้ผลนะแต่ถ้าบาปให้ผลเชื่อไหมครับว่าถึงเป็นพระราชาก็อดน้ำตายนะครับก็จะจะอดน้ำตายได้นะครับหรือว่าเป็นโรคขาดอาหารตายก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดนะครับถ้าบาปให้ผลนะถ้าบุญให้ผลเนี่ยนะครับมันล่วงมาเลยนะครับ แม้แต่ตกนรกก็ตกไม่นานเหมือนพนางมาริกาแบบนั้นนะครับถ้าบุญจะให้ผลอ น, น, นะนะหรือบางทีเห็นไฟนรกก็นึกถึงสีจีวรแล้วก็ไปดีได้เหมือนกันนะครับถ้าบุญจะให้ผลนะแต่ถ้าบาปมันให้ผลนะครับมันเจ็บแสบปวดร้อนนะครับอย่าว่านรกเลยเนี่ยนะครับมนุษย์มนุษย์เรานี่แหละเนี่ยหน้าหนาวจะเริ่มเข้ามานี่นะครับบางคนก็ตกวันหนาวตายเลยไม่ต้องไปโลกรันอะไรหรอกครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบาปประกรรมนี่ขนาดมนุษย์ในสุคติยังให้ผลขนาดนี้เลยนะครับ ผมดูรูปของเด็กในคันเนี่ยนะครับที่มันพิการโดยประการต่างๆนะแล้วนึกถึงข้อความหรือว่ารูปร่างของเปรตทั้งหลายที่อ่านในเปแต่วัตถุนะครับผมว่าโอ้โหขนาดมนุษย์นัเนี่ยรูปร่างมันยังเหมือนกับเปรตที่เราอ่านในคัมภีร์เลยนะครับนี่มนุษย์นะถ้าหากว่าเปรตจริงๆจะขนาดไหนนะทําให้เห็นว่าโอ้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะอ่านเปแต่วัตถุนะเชื่อเถอะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับ เพราะว่าดูรูปร่างของเด็กที่อยู่ในคันทั้งหลายแหลเนี่ยนะพี่กงพิการเช่นใส่ทะลักออกมาทางปากเป็นต้นเนี่ยนะก็มีจริงๆนะหูเนี่ยมาอยู่ที่ปากเลยนะครับ น, นะพวกอะไรอยู่ข้างบนบนหูมาอยู่ที่ปากอย่างเงี้ยตัวเหมือนตัวหนอนก็มีตัวบางคนเนี่ยเหมือนกับเขียดก็มีนะครับดูเหมือนเขียดมากเลยบางตัวก็เหมือนอึง น, นะครับเด็กบางคนเนี่ยเหมือนอึงเออมัเป็นไปได้นะครับเหมือนเดรชานเหมือนอะไรเป็นไปได้หมดเลย นะเมื่อบาปมันให้ผลแล้นะครับขนาดเป็นมนุษย์แล้วนะกรรมมันยังตามมาเบียดเบียนขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่ในนรกมันจะขนาดไหนหรือว่าเป็นเปรตีนเป็นต้นจะขนาดไหนแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากเจตนาที่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความชั่วนี่นะครับไม่ควร ท, ทําทั้งที่แจ้งและที่รับนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่ควรทําโดยประการทั้งปวงเพราะว่าความชั่วเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่อไปนะครับเมืเ่อสองวันก่อนนี้ อุโสปิชาบอกว่าไม่ใช่สองวันนะหลายลวันที่บอกว่าผล ไ, ไม้นี่บางทีถ้าหากพระราชาเป็นผู้ทุตศีลเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่ผลไม้ก็จะกลายเปลี่ยนรถกลายเป็นรถดีกลายเป็นรถเร็วไปได้ครับโดยการกระทําครับมันถึงพฤติกรรมโดย ท, ทั่วไปแล้วถึงกันหมดนะครับถึงกันหมดจริงๆนะครับ สัตว์โลกในยุคนี้ถ้าเกิดมาร่วมยุคร่วมสมัยกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับเกี่ยวข้องโดยสปายะหรืออสสปายะนั่นเองนะครับมันแม้กระทั่งสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะครับหนักๆเข้าแม้กระทั่งฝนก็ไม่ตกต้องนะครับคือคนอวิบัติอยู่คนหนึ่งนะครับพาให้คนอื่นวิบัติไปด้วยหมดเลยนึกในคัมภีร์ที่เราอ่านเจอบ่อยๆนะครับเช่น อ่านะเศรษฐีคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นคนตนันีทีเหนียวมากอ่นะนะตายแล้วไปเกิดในทองของพวกขอทานทําให้พวกขอทานเหล่านั้นขอทานไม่ได้กินอ่ะนะครับอ่นะขนาดไปเกิดในตระกูลขอทานกันนะว่าเจ็บแสบปวดร้อนน่นนะทําให้พวกขอทานทั้งหมดเนี่ยอดจากปากแห้งแล้วแล้วไม่ใช่มีคนเดียวด้วยนะครับในสมัยพุทธกาลมีหลายคนนะครับทําให้ตระกูลขอทานเนี่ยหาไม่พอกินเลยนะครับอันนี้อย่างหนึ่ง หรือแม้กระทั่งถ้าคนบาปติดไปด้วยคนหนึ่งเนี่ยนะครับแม้แต่เรือที่ไปในทะเลเรือก็ไม่ไปนะครับเรือก็ต้องจอดอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับสภาเสียหายหมดอะ่ะถ้าคนมีบุญไปด้วยนะครัให้คนอื่นพลอยอิ่มไปด้วยเช่นพระศิวลีนะครับถ้าไปที่ไหนก็อิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวถึงกันหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ถึงกันหมดจริงๆ เมื่อกี้บอกว่าเอาโสรพิจารจริงๆพระพุทธเจ้าต่างหากขอแก้ับพระเจ้าแสดงไว้ในชาดอกไยครับค่ะพ่อนวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ